พวกเรามาหาสถานที่ที่สงบกันเพราะจะทำให้จิตใจของพวกเราสงบถ้าสถานที่สงบการทำจิตใจให้สงบก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายถ้าสถานที่ เป็นสถานที่ที่มีความวุ่นวายมีเรื่องมีราวมีเสียงออ ก, กระทึกครื่ครมการทำใจให้สงบก็จะเป็นไปได้ยากทำไมเราจึงต้องทำใจให้สงบกันก็เพราะว่าความสงบของใจเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ กว่าความสุขทั้งหลายอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านัตถิสันติปะรังสุ ข, ขงังความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่ความเย่ yeah. ไม่มีความสุขใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นความสุขแท้เป็นความสุขที่จะอยู่ติดกับใจไปเรื่อยๆไม่เหมือนกับความสุขต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ที่เป็นความสุขปลอม เพราะเป็นความสุขชั่วคราวสุขเดียวๆแล้วก็หมดไปต้องคอยหามาเติมใหม่อยู่เรื่อยๆเติมเท่าไหร่ก็หมดไปเท่านั้นจึงเรียกว่าเป็นความสุขปลอมความสุขทางลาบยศสรรเสริญ ความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเป็นของปลอมไม่ใช่เป็นของจริงของจริงต้องเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบการจะทําให้ใจสงบก็ต้องมีสถานที่สงบที่เรียกว่ากายวิเวกจิตวิเวกกายวิเวกก็คือ ความสงบทางร่างกายทางตาหูจมูกนิ้งกายคือรูปเสียงกลิ่นรสปุถะะะะะอยู่ะะะะะะะะะงะะะะในะะ า, า, า น, น, น, าา น, น, นะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ่ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ ก็อยู่ในความสงบหรือถ้าเป็นเสียงของเสียงสาราสัตว์ก็เป็นเสียงที่ไม่ได้กระตุ้นความวุ่นวายให้แก่จิตใจเสียงลมเสียงใบไม้เสียงของธรรมชาติเป็นเสียงที่กลมกล่อมกับความสงบไม่เหมือนกับเสียงของทาง โลกเสียงที่มนุษย์สรรหาผลิตขึ้นมาเป็นเสียงที่ก่อกวนสร้างความไม่สงบให้แก่จิตใจสร้างความรำคาญให้แก่จิตใจส่วนรถกินน็อก็ เป็นกลิ่นรสของธรรมชาติกลิ่นก็กลิ่นของต้นไม้ใบหญ้ารสก็ไม่มีการเสกสัมผัสเครื่องเดิมหรือขนมนมเนอยอะไรต่างๆผดคะพระ ท, ที่มาสัมผัสกับร่างกายก็เป็นสายลมที่ เป็นธรรมชาติถึงแม้ว่าจะเย็นบ้างจะร้อนบ้างก็เป็นธรรมชาติไม่ได้มาทำให้จิตใจวุ่นวายนี่คือกายวิเวกห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆเมื่อกายวิเวก การทำจิตให้วิเวกก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายแต่จะต้องอาศัยทำคือสติเป็นเครื่องช่วยดึงใจให้เข้าสู่ความสงบเพราะถึงแม้ว่าสถานที่คกอกายวิกายจะวิเวกแต่ถ้า ใจไม่มีสติคอยควบคุมกำกับใจก็จะยังไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้ด้วยตนเองจำเป็นจะต้องมีธรรมคือสติเป็นทูเดึงจิตเดืองใจให้รวมเข้าสู่ความสงบให้เป็นหนึ่งให้เป็นอัปปนาให้เป็นอุเบกขาให้เป็นสักตะวารู้ สติเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการสร้างความสงบให้แก่จิตใจผู้ที่ปรารถนาะความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตใจจำเป็นจะต้องเจริญสติให้มากๆให้มีกำลังมากกว่ากำลังของ เตัหาที่จะคอยสร้างความไม่สงบให้แก่จิตใจที่คอยจะดึงจะลากจิตใจให้ออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายไปสู่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆเป็นการชักะเย่อกันระหว่างสติ กับกิเลสตัณหาถ้าเผลอสติปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาไปจะคิดถึงขนมนมเนยจะคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะจะคิดถึงลาบยศสรรเสริญ ถ้าใจอยู่กับความคิดเหล่านี้ใจก็จะต้องวิ่งหาสิ่งเหล่านี้กันเพราะจะเกิดความโลภเกิดความอยากได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้รูปเสียงกลิ่นรสพุทธภพกันก็จะไม่มีวันที่จะพบกับความสงบของใจได้ จะไม่มีวันที่จะไปหาที่สงบสงัดวิเวกได้เพราะกิเลสตัณหาความโลภความอยากจะผลักดันให้ไปหาแต่ลาบยศรเสริญหาแต่รูปเสียงกลิ่นรสผลธพานนั่นเองแต่ถ้ามีสติคอยกำกับความคิดไม่ให้ใจคิด ถึงเรื่องราวต่างๆถึงบุคคลต่างๆถึงราบยศสารเรสิญถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะให้คิดอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นให้คิดถึงคำพุทโธพุทโธวริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม ยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นถ้ามีความภาคเพียรสาหะที่จ ะ, จะเจริญสติด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอยกเว้นเวลาที่จําเป็นจะต้องใช้ความคิดในการทําการทํางานต่างๆอนนั้นก็หยุดการบริกรรมไว้ชั่วคราวหรือเวลาที่ ใจไม่มีความคิดแล้วเช่นเวลาใจสงบเข้าสู่อัปปนาเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ อ, อ, เ อ, เ อ, อุเบกขาตอนนั้นการบริกรรมก็หยุดไปได้ไม่จำเป็นจะต้องบริกรรมแล้วสั์แต่ว่ารู้ได้แล้วเวลาออกจากสมาธิมา ถ้ายังถ้ามีสติกำลังพอที่จะให้จิตสักต่วารู้ได้ไม่คิดปรุงแต่งได้ก็ไม่จำเป็นจะต้องบริกรรมก็ได้แต่ถ้าเกิดความคิดที่จะคิดไปในทางลาบยศสรรเสริญคิดไปในทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐภะก็ต้องบริกรรมขึ้นมาใหม่จเจริญสติขึ้นมาใหม่ แสดงว่าสตินั้นอ่อนกำลังลงไปต้องสร้างสติขึ้นมาใหม่ดึงใจให้เข้าอยู่ในอุเบกขาอยู่ในความสัจตวรู้อย่าปล่อยให้อยู่กับความคิดสุงแต่งต่างๆนี่คือวิธีการที่จะทำใจให้สงบที่จะทำให้เกิดความสุขที่แท้จริง ที่จะเป็นความสุขที่ถาวรที่จะอยู่กับใจไปตลอดไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสพุพธะจะเกิดขึ้นชั่วขณะที่ได้รับได้เสพสัมผัสเวลาได้ราบยศสรรเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะเกิดความสุขชั่วคราว แล้วก็จะจางหายไปเหมือนควันไฟแล้วก็จะเกิดความอยากความโลภขึ้นมาใหม่สร้างความไม่สงบให้แก่จิตใจใหม่แล้วก็ต้องไปดิ้นนนไใแสวงหาสิ่งที่กิเลตันหาสั่งให้ไปแสวงหาแล้วก็จะ พอได้มาก็ได้ความสุขเดียวๆแล้วเราก็เกิดความอยากความโลภขึ้นมาใหม่เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าไม่มีการต่อสู้ขัดขวางไม่ทำตามความโลภความอยากความโลภความอยากนี้จะไม่มีวันหมดไปเมื่อไม่มีเมื่อไม่หมดความสงบก็จะ ไม่มีวันเกิดขึ้นได้เวลาใดที่มีความโลภความอยากมีความสงบจะหายไปเวลาใดที่ไม่มีความโลภความอยากเวลานั้นความสงบก็จะกลับคืนมานี่คือสงครามของจิตใจสมนลภูมิลบของจิตใจก็คือ การต่อสู้ระหว่างทรรมกับกิเลสตัณหานี่เองทรรมก็คือสติในเบื้องต้นแล้วขั้นที่สองพอมีสติแล้วก็ก็ปัญญาเป็นเครื่องมือขั้นที่สองที่จะทำลายกิเลสตัณหา ให้ได้อย่างราบคาบให้หมดไปได้เพราะสตินี้ไม่ได้ถอนไม่ได้ทำลายกิเลสตัณหาเพียงแต่เบรกรือหยุดกิเลสตัณหาไว้เท่านั้นเวลาใดที่สติไม่ไม่ทางานเวลาที่เผลอปล่อยให้สังขางความคิดปรุงแต่งทางานไปในทางของความโลภความอยาก เวลานั้นความวุ่นวายใจก็จะเกิดขึ้นมาความสงบก็จะหายไปแต่ถ้ามีปัญญาไว้ถอดถอนไว้ทําลายพอปัญญาได้ทําลายกิเลสตัณหาตัวไหนแล้วกิเลสตัณหาตัวนั้นจะไม่มีวันหวนกลับคืนมาได้จะหายไปอย่างราบคาบในที่สุด หายได้ด้วยปัญญาถ้าเปรียบเทียบกับต้นไม้กิเลสตัณหาที่เป็นเหมือนต้นไม้นี้สติก็เป็นเหมือนกับการตัดกิ่งตัดใบตัดใบตัดต้นแต่ไม่ได้ถอนรากถอนโคนถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่นานเดี๋ยวก็จะมีการเจริญงอกงามออกขึ้นมาใหม่ กิ่งต้นก็จะเจริญขึ้นมาใหม่ได้เพราะรากยังไม่ตายถ้าอยากจะทําลายต้นไม้ให้ได้อย่างราบคาบก็ต้องถอนรากถอนโคนของต้นไม้ขึ้นมาผู้ที่จะสามารถถอนรากถอนโคนของกิเลสตัณหาได้ก็คือปัญญาเพราะรากโคนของกิเลสตัณหาก็คือโมหะอวิชชา ความหลงความไม่รู้ความจริงของความสุขที่แท้จริงว่าอยู่ที่ไหนนั่นเองความหลงโมหะอวิชชาจะทำให้ใจหลงคิดว่าความสุขอยู่กับลาบยศสละเสริญอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆ ใจจึงขวนขวายดิ้นรนสแสวงหาแต่ลาบยศสรรเสริญหาแต่ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันไปแล้วแทนที่จะได้ความสุขก็เลยได้ความทุกข์กันเพราะเวลาขวนขวายเวลาดิ้นรนสแสวงหาก็เป็นความทุกข์แบบหนึ่ง เวลาได้มาความสุขที่ได้มาก็เป็นความสุขเดียวเดียวพอผ่านไปแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาใหม่ต้องดิ้นลนแสวงหาใหม่นี่คือโมหะอวิชชาความหลงที่ไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนี้อยู่ที่ไหนหลงไปคิดว่าความสุข อยู่ที่ราบยศสารเสวนอยู่ที่รูกเสียงกิ่นรสโพชพะผู้ที่จะสามารถที่จะมาทำลายความหลงนี้ได้ก็คือพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกคําที่เราเรียกว่าปัญญาปัญญานี้ก็คือความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบนั่นเอง ความรู้คือความจริงที่ได้ส่งคนพบจัดจะทำว่าความจริงว่าความสุขความทุกข์นี้อยู่ที่ไหนกันแน่ความสุขที่แท้จริงอยู่ตรงไหนก็ส่งคนพบว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจที่สงบจากความโลภความอยากต่างๆนั่นเองความโลภความอยากเป็นผู้สร้างความทุก ความวุ่นวายใจต่างๆการทำใจให้สงบนะ ง, งับจากความโลภความอยากต่างๆก็จะเป็นความสุขขึ้นมาและเหตุที่จะสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบระ ง, งับของกิเลสตัณหาก็คือสติในเบื้องต้นและปัญญาในบ้านปลาย เบื้องต้นต้องใช้สติเป็นผู้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาก่อนเพราะใจยังไม่มีกำลังที่จะผลิตปัญญาขึ้นมาได้ใจต้องมีสติมีความสงบก่อนคือสามารถหยุดความคิดปรุงแต่งที่จะคิดไปในทางความโลภความอยากต่างๆให้ได้ก่อน เมื่อหยุดความคิดที่จะคิดไปในทางความโลภความอยากได้แล้วก็สอนให้ใจคิดไปในทางไม่โลภไม่อยากนั่นเองให้คิดด้วยการเห็นโทษของความโลภของความอยากว่าเป็นผู้ที่สร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจสร้างความวุ่นวายให้แก่จิตใจไม่ได้เป็นผู้สร้างความสุขให้แก่จิตใจเพื่อที่จะได้ หยุดคิดไปในทางความโลภความอยากต่างๆความคิดนี้เป็นเหมือนกับการเดินทางของรถยนต์ความคิดนี้สามารถคิดไปในทางสร้างความสุขก็ได้คิดไปในทางสร้างความทุกข์ก็ได้ปัจจุบันความคิดของผู้ปฏิบัติของผู้ที่เริ่มต้นปฏิบัติของสัตว์โลกที่เรียกว่าปุถุชนนั้น ความคิดจะคิดไปในทางกิเลสตัณหาคิดไปในทางความอยากความโลภในลาบยศสรรเสริญในความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายพอคิดไปทางนี้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าจะอยากจะดับความทุกข์นี้ก็ต้องหยุดความคิดอันนี้ แล้วก็บ <se ning> <iento> ังคับให้คิดไปในทางไม่โลภไม่อยากได้ลาบยศสารเสนไม่อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะก็เหมือนกับการขับรถนั่นเองถ้าเราเดินทางไปผิดทางเช่นเราต้องการไปไปทางเหนือแต่รถกำลังวิ่งไปในทางใต้ เราก็ต้องกลับรถกันวิธีจะกลับรถก็คือต้องจอดหรือหยุดรถก่อนเมื่อหยุดรถแล้วเราค่อยอยูเทิร์นเลี้ยวกลับไปทางเหนือได้หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องไปอ้อมที่วงเวียนไปที่ที่เขามีให้เรากลับรถได้ใจของเราก็เช่นเดียวกัน เราต้องหยุดความคิดที่จะคิดไปในทางราบยศสรเสสนญทางรูปเสียงกลิ่นรสปุถัภะแล้วหันมาคิดไปในทางที่ไม่ต้องการลาบยศสรเสสนญไม่ต้องการรูปเสียงกลิ่นรสปุถัมภะเราคิดอย่างนี้ได้ก็จะไปหาที่สงบสงัดวิเวกได้ไปปลิกวิเวกได้ ไปเจริญสติได้ไประหยุ์ความคิดที่อยากจะได้ดลาบยศสรรเสริญได้แล้วก็ห้ามใจทุกครั้งเวลาที่เกิดความอยากจะกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลตพะหาลาบยศสรรเสริญก็ใช้ความคิดที่คิดว่าไปหาลาบยศสรรเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลตพะ ก็เท่ากับไปหาความทุกข์นั้นเองเท่ากับเดินเข้ากองไฟกองไฟแห่งความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดของการของความโลภของความอยากที่จะคอยเอมเชื้อไฟให้มี กำลังแรงขึ้นไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราทำตามความโลภทำตามความอยากไม่ได้ทำให้ความโลภความอยากนั้นน้อยลงไปไม่ได้ทำให้ความทุกข์ใจน้อยลงไปแต่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจเพิ่มมากขึ้นไปก็เหมือนกับเติมเชื้อเพลิงเข้าไปในกองไฟเติมเข้าไปมากขึ้นเท่าไหร่กองไฟก็จะลุกใหญ่ขึ้นไปเท่านั้น การที่จะทำให้กองไฟนั้นมอดดับไปได้ก็คือต้องไม่เติมเชื้อเข้าไปปล่อยให้เชื้อเก่าที่มีอยู่มันเผามันไหม้ไปเดี๋ยวมันก็หมดไปเองถ้าไม่เติมเชื้อใหม่เข้าไปต่อไปไฟมันก็จะดับความโลภความโกรธนี้เป็นเชื้อของความทุกข์เป็นต้นเหตุของความทุกข์ ถ้าเราทำตามความโลภทำตามความอยากก็เท่ากับการเติมเชื้อของความทุกข์ให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆให้ความทุกข์นั้นอยู่ไปนานขึ้นไปเรื่อยๆเราเติมมันมาไม่รู้กี่แสนล้านครั้งแล้วเราสร้างพบสร้างชาติที่เกิดจากการเติม ความโลภความอยากนี้มาไม่รู้กี่แสนล้านชาติแล้วและไม่รู้ว่าจะหยุดไปเมื่อไหร่ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้พวกเรานี้ถอยออกจากการแสวงหารายดยศสรรเสริน หาความสุขทางตาหูจมูกเน้อายกันมีพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวพระ อ, องค์แรกที่ทรงรู้สัจธรรมความจริงของความสุขและของความทุกข์ใจนี้หลังจากที่ได้ทรงตัดสรู้แล้วก็ได้นำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอน ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้อย่างพวกเราพอผู้ที่ไม่รู้ได้ยินได้ฟังแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็สามารถที่จะสร้างความสุขที่แท้จริงให้เกิดขึ้นภายในใจได้ละละความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ด้วยสติด้วยปัญญาตามลำดับ เรื่องต้นก็ต้องเจริญสติก่อนพอเจริญสติแล้วก็จะมีกำลังที่จะดึงความคิดให้คิดไปในทางปัญญาได้ถ้าไม่มีสติหยุดความคิดปรุงแต่งที่จะคิดไปในทางความโลภความอยากต่างๆใจจะไม่มีกำลังที่จะดึงใจให้ไปคิดในทางปัญญาได้เช่นให้คิดถึงความตาย อยู่เรื่อยๆ อ, อย่างนี้เป็นต้นมีใครบ้างที่สามารถคิดถึงความตายได้อย่างต่อเนื่องทั้งวันหรือคิดในคำบริกรรมพุทโธพุทโธคำบริกรรมพุทโธนี้มันยังง่ายกว่าคิดถึงความตายคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บที่ความตายนี้มันเป็นของต้องห้ามของกิเลสตัณหา กิเลสตัณหามันจะต่อสู้ทุกวิถีทางที่จะป้องกันไม่ให้ใจคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บคิดถึงความตายคิดถึงการพัดพากจากกันกิเลสตัณหานี่มันจะพยายามดึงใจให้ไปคิดถึงความถาวรของร่างกายคิดถึงความไม่แก่คิดถึงความไม่เจ็บไข้ได้ป่วย คิดถึงความไม่ตายคิดถึงการไม่พัดพาคจากกันซึ่งมันเป็นความคิดที่ไม่ตรงกับความจริงเรียกว่าเป็นความหลงคิดไปในทางที่จะหลอกตัวเองเวลาที่ไปเจอกับความจริงขึ้นก็จะรับไม่ได้ จะต้องเศ้าโศกเสียใจร้องหม่มร้องไห้บางทีถึงกับเสียสติเป็นบ้าไปนี่คือเรื่องของกิเลสตัหาที่จะพยายามที่จะไม่ให้จิตใจคิดไปในทางความจริงจึงจาเป็นต้องสร้างกำลังขึ้นมาสร้างสติ ที่จะเป็นตัวหยุดความคิดที่จะคิดไปในทางความหลงให้ได้ก่อนให้หยุดความคิดที่จะไปแสวงหาสิ่งต่างๆภายในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้มันก็เป็นของชั่วคราวมันไม่สามารถที่จะให้ความสุขที่ถาวรแก่ใจได้และร่างกายก็เช่นเดียวกัน ร่างกายก็เป็นของชั่วคราวไม่สามารถจะให้ความสุขกับใจได้ไปตลอดพอหยุดความคิดที่จะคิดไปในทางความหลงได้แล้วขั้นต่อไปก็บังคับให้คิดไปในทางความจริงให้คิดว่าลาบยศจรลเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราว เป็นอนัตาไปสั่งมันให้อยู่กับเราไปตลอดไม่ได้หรือไปสั่งให้เราอยู่กับมันไปตลอดไม่ได้เราก็ต้องสักวันหนึ่งก็ต้องจากมันไปเช่นเดียวกับร่างกายร่างกายมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาไปสั่งไปห้ามมันไม่ได้ นอกจากร่างกายของเราแล้วเราก็ยังต้องพลาดพลาดจากร่างกายของผู้อื่นของคนที่เรารักที่เราเคารพเช่นบิดามารดาปุย า, ายายาญาสนิดมิตรสหายสามีภรรยาบุตธรธลูกหลานเลน่นต้องมีการพลาดพลาจากกันอันนี้ ต้องมีกำลังที่จะหยุดความคิดปรุงแต่งไปในทางกิเลสตัณหาให้ได้ก่อนทำใจให้สงบเป็นสมาธิให้ได้ก่อนพอมีความสงบมีสมาธิก็จะมีพลังมีกำลังมีความกล้าหาญที่จะคิดถึงความจริงต่างๆเพราะใจไม่หวั่นไหวใจมีพลัง มีความสงบมีอุบเบกขามีความสุขจึงกล้าที่จะคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายคิดถึงการพัดพากจากกันจากทุกสิ่งทุกอย่างที่หามาได้อันนี้เป็นความคิดที่พระเจ้าได้ส่งค้นพบขึ้นมาก่อนแล้วทําให้ดับความโลภความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้หลังจากนั้นพระ อ, องค์จึงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราถ้าพวกเราน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติมาเจริญสติกันมาหยุดความคิดที่จะไปหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญ ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาหาสถานที่สงบสงัดวิเวกมาหากายวิเวกเพื่อที่จะได้เจริญสติเพื่อทำใจให้วิเวกพอใจวิเวกใจสงบสงัดแล้วก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงแล้วก็ใช้ปัญญารักษาความสุขที่แท้จริง นี้ด้วยการทำลายความโลภความอยากต่างๆทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นมาจะไม่ทําตามความโลภความอยากต่างๆเพราะว่าไม่ทําตามความโลภความอยากก็ไม่ตายสิ่งที่ต้องทําตามนี้เราไม่เรียกว่าความโลภความอยากสิ่งที่จําเป็นต่อการดำรงชีพเช่นการเลี้ยงดูร่างกายนี้ เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำถ้าทำตามเหตุตามผลนี่จะไม่เรียกว่าเป็นความโลภเป็นความอยากเช่นถึงเวลาต้องรับประทานอาหารก็รับประทานอาหารถึงเวลาต้องดื่มน้ำก็ดื่มน้ำถึงเวลาต้องขับถ่ายก็ต้องขับถ่ายการอยากจะขับถ่ายนี้ไม่ได้เป็นกิเลสตัณหาอยากจะเข้าห้องน้ำอย่างนี้ไม่ได้เป็นกิเลสตัณหา มันเป็นเหตุผลมันเป็นความจริงมันเป็นความจำเป็นที่จะต้องขับถ่ายสิ่งต่างๆที่เอาเข้าไปภายในร่างกายและเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเติมสิ่งต่างๆเข้าไปในร่างกายก็เป็นความจำเป็นเหมือนกันถ้าไม่เติมเข้าไปร่างกายก็จะอยู่ไม่ได้ร่างกายก็จะตายไปถ้าไม่จำเป็นจะต้องใช้ร่างกายแล้ว ถ้าไม่อยากจะเติมอะไรเข้าไปก็ไม่เป็นปัญหาเลยรเชนไม่ดื่มไม่รับประทานไม่ช้าก็เร็วร่างกายมันก็ต้องหยุดทำงานแต่ผู้ที่ไม่ต้องการใช้ร่างกายก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจนั้นเขามีความสุขมีความพอไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่าง แต่ผู้ที่ยังต้องใช้ร่างกายเช่นผู้ที่ยังต้องปฏิบัติต้องไปปีกวิเวกหาสถานที่สงบสงบัดหาสถานที่เจริญสติเพื่อระงับความโลภความอยากต่างๆเพื่อให้จิตมีความสุขยังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมืออยู่ก็จำเป็นที่จะต้องดื่มต้องรับประทานอาหารตามความ จำเป็นนั้นแต่ไม่ได้ดื่มไม่ได้รับประทานตามความอยากคือดื่มน้ำก็ดื่มเพื่อร่างกายไม่ได้ดื่มเพื่อตามความอยากถ้าดื่มตามความอยากนั้นนอกจากน้ำที่ต้องการสาหรับร่างกายแล้วก็ยังต้องมีกลิ่นมีรสมีสีอันนี้เป็นเรื่องของตัณหาความอยากที่เรียกว่ากามฉันทะ หรือกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสปวดตาผะผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่ต้องการหยุดดืด่อนละกามตัณหาก็จำเป็นจะต้องระมัดระวังเวลาดื่มน้ำให้กับร่างกายก็ต้องพิจารณาว่าร่างกายต้องการกิ่นสีเลือดรสหรือไม่ หรือว่าร่างกายต้องการน้ำเปล่าๆถ้าดื่มเพื่อร่างกายก็ดื่มแต่น้ำเปล่ า, ปลาไปแต่ถ้าดื่มเพื่อกิเลสตัณหาความโลภความอยากก็ต้องมีรสมีชาติมีกลิ่นมีสีเช่นรสชาติของก า, ฟงกาแฟกลิ่นสีของกาแฟถ้าต้องหายใจถ้าหายใจเพื่อร่างกาย ร่างกายก็ต้องต้องการอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์แต่ถ้าต้องการหายใจเพื่อกิเลสตัณหาก็ต้องหายใจใช้ลมหายใจที่มีกลิ่นต่างๆเช่นกลิ่นของน้ำหอมกลิ่นของบุหรี่อย่างนี้เป็นต้นถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำเพื่อกามตัณหา ทำเพื่อสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจถ้าจะทำเพื่อร่างกายก็ดื่มแต่น้ำเปล่าๆไปถ้าหายใจก็หายใจกับอากาศที่สะอาดบอยสุด์อย่าไปหายเอาหายใจเอาควันไฟเข้าไปในร่างกายเช่นควันของบุหรี่หรือควันของยาเสพติด ต, ต่างๆกิ่นของยาเสพติด ต, ต่างๆ เลือกกิ่นของน้ำหอมต่างๆอันนี้เป็นเรื่องของการสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะเป็นการทำตามกามตัญหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะผู้ปฏิบัติเพื่อดับความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะจาเป็นจะต้องไข้ควรพิจารณาทุกครั้ง ที่เอาอะไรเข้าไปสู่ทางร่างกายว่าเอาไปเพื่อร่างกายหรือเอาไปเพื่อกิเลสตัณหาถ้าเอาไปเพื่อกิเลสตัณหาก็ต้องฝืนต้องไม่ทำต้องทำเพื่อร่างกายเพียงอย่างเดียวแล้วก็ต้องมีเวลามเวลาเช่นการ รับประทานอาหารก็ต้องรับตามเวลาหรือมีปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย<ม>การดื่มน้ําก็เช่นเดียวกันเป็นการเติมน้ําให้กับร่างกายธาตุน้ําให้กับร่างกายการรับประทานอาหารก็เป็นการเติมธาตุดินธาตุไฟให้กับร่างกาย การหายใจก็เป็นการเติมธาตุลมให้กับร่างกายถ้าเป็นการเติมธาตุให้กับร่างกายโดยไม่มีความอยากคือการมะตัณหามาเกี่ยวข้องก็ไม่ถือว่าเป็นกิเลสตัณหาล้วประทานอาหารก็รับไปตามมีตามเกิดไม่ดินน้นรนไม่วุ่นวายกับอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ ถ้าอยากใช้ชนิดไหนก็ต้องไม่ไม่รับประทานชนิดนั้นเพราะถ้าเป็นความอยากแล้วก็เป็นการรับประทานเพื่อสร้างความทุกข์ให้กับใจต้องรับประทานแบบไม่อยากอันไหนไม่อยากกินกินอย่างนั้นถ้าอยากกินอย่างไหนอยากไปอยากกินอันนี้ต้องฝืนกับกิเลสตัณหาไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะ คอยมาคอยสั่งให้เราไปหาอาหารชนิดนั้นอาหารชนิดนี้มารับประทานอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้รับประทานก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้ารับประทานอาหารที่เราไม่มีความอยากเราก็จะไม่มีปัญหาเราก็จะรับประทานได้ทุกชนิดที่เราอยากได้ถ้ามันถ้ามันมาก็ก็รับประทานได้ที่เราไม่อยาก ถ้ามันมีก็รับประทานได้ต้องรับประทานเพื่อร่างกายอย่าไปรับประทานเพื่อความอยากเดินก็ต้องเดินเพื่อร่างกายอย่าไปเดินเพื่อความอยากสูตรนมอากาศเข้าไปก็สูตรนมเพื่อร่างกายอย่าไปสูตรนมเพื่อเพื่อความอยากแล้วความอยากต่างๆก็จะได้ไม่ไม่มาสร้างปัญหาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้แก่จิตใจ นี่คือความรู้ที่เราจะได้เรียนรู้จากการได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นอากาวิโกอเป็นความสอนคำสอนที่เป็นอมตะคือสามารถใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมตลอดเวลา เอามาใช้ในสมัยพระพุทธกาลก็สามารถดับความทุกข์ต่างๆสร้างความสุขที่แท้จริงให้แก่จิตใจได้เอามาใช้ในสมัยปัจจุบันก็สามารถดับความทุกข์ต่างๆสร้างความสุขที่แท้จริงให้แก่จิตใจได้เช่นเดียวกันเป็นอาการลิโกไม่ต้องไปสงสัยว่าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่า ไม่ได้เรียนจากปากของพระพุทธเจ้านี้จะได้ผลอย่างการที่ได้ยินได้ฟังจากปากของพระพุทธเจ้าเลยหรือเปล่าเหมือนกันเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็ได้รับการจารึกมาได้รับการจดจํามาและบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกถ้าผู้ใดอ่านพระไตรปิฎกก็เหมือนกับได้ยินได้ฟังจากปากพระโอษฐของพระพุทธเจ้าเลย แล้วถ้านำเอาไปปฏิบัติก็จะได้ผลเช่นเดียวกับภาษาวกที่ได้นำเอามาปฏิบัติและได้บรรลุปเป็นภาษาวกกันผู้ที่นำมาปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วก็จะได้บรรลุปเป็นภาษาวกเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนเหมือนกับยาที่คนไข้ไม่ว่าจะเป็นคนไข้ในยุคใดสมัยใดถ้าเป็นโรคชนิดเดียวกันแล้วเป็นยาชนิดเดียวกัน ถ้ารับประทานยาเข้าไปมันก็ต้องรักษาโาครคภัยไข้เจ็บให้หายได้เหมือนกันยาที่รักษาโาครคภัยไข้เจ็บเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้ก็ยังรักษากันได้เหมือนกันอยู่ขอให้นําเอาอยาเข้าไปในร่างกายเท่านั้นแล้วยามันก็จะทําหน้าที่รักษาโาครคภัยไข้เจ็บต่างๆให้หมดไปได้เช่นเดียวกับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ที่เป็นเหมือนยาที่เราเรียกกันว่าธรรมโอสถนี่เองธรรมโอสถนี้ก็ถ้าเราเอาเข้าสู่ใจได้เมื่อไหร่ธรรมโอสถก็จะเข้าไปทำลายกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ทำลายความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ทำใจให้มีแต่ความสุขไปใต้ตลอดหน้าที่ของเราจึงต้องรับประทานยานี้ รับประทานธรรมโอสถวิธีรับประทานธรรมโอสถก็คือต้องปฏิบัตินั่นเองต้องเปลีกวิเวกการเปลีกวิเวกก็เหมือนกับการไปรักษาร่างกายที่โรงพยาบาลถ้าอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานนี่ไม่สามารถที่จะรักษาโาครคภัยไข้เจ็บได้จาเป็นจะต้องลางานลาจากบ้านลาจากสมาชิกครอบครัวในบ้าน ต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะได้รักษาโรคภัยให้หายได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วการไปปีกเวิๆก็เหมือนกับไปเข้าโรงพยาบาลของจิตใจนั่นเองถ้าปฏิบัติอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานนี้มันจะปฏิบัติได้ยากเจริญสติได้ยากทำใจให้สงบได้ยากรักษาศีลแปดได้ยาก เพราะที่ไม่สัปปายะไม่เอื้ออำนวยต่อการรักษาสินแปต่อการเจริญสติและปัญญานั่นเองจึงต้องไปปีกวิเวกันอย่างที่มากันในวันนี้มาอยู่ที่สงบสงัดอย่างนี้ได้มาเจริญสติได้เจริญปัญญาควบคู่กันไปได้อย่างสะดวกสบายถ้าไปอยู่ที่มีแต่เสียงหรือมีเหตุการณ์ต่างๆรบกวน ไม่สงบเวลาฟังธรรมก็จะไม่ได้ลดไม่ได้ชาติจะไม่ได้สติจะไม่ได้ปัญญาดัางนั้นผู้ที่ต้องการที่จะเอายาคือธรรมโอสถเข้าไปสู่ใจเพื่อไปทำลายเชื้อโรคของความทุกข์คือกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจจำเป็นจะต้องไปปรกวิเวกเวก ไปมีอินทรีสังวรสำรวมตาหูจมูกร่้นกายมีสียงสังวรสำรวมกายและวาจาไม่กระทำอะไรต่างๆไม่พูดอะไรต่างๆที่จะเป็นการไปสร้างความไม่สงบให้แก่จิตใจคือไม่ต้องทำอะไรมีแต่เดินจงกรมนั่งสมาธิเรียกว่ากายวิเวกเรียกว่าอินทร ศีล ส, สังวรไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่ร่วมหลับนอนกับ้าผู้ใดไม่หาความสุขทางตาหูจมูกวิ้นกายไม่ดูไม่ฟังมือหอหลอกศพ บ, บันเทิงต่างๆไม่แต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามด้วยเครื่องสำอางด้วยเสื้อผพ้าพที่วิจิตรพิสดาร ไม่หลับนอนบนผู้กันหนาห น, า, หนาอันนี้เรียกว่าศีลสังวรและอินทรีสังวรไม่ทำไม่พูดตามความอยากไม่ดูไม่ฟังตามความอยากไม่ดื่มไม่รับประทานตามความอยากแล้วก็เดินจงกรมเจริญสติ ให้ใจจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่ว่าจะอยู่ในอริยาบทใดเวลาใดยกเว้นเวลาหลับและเวลาที่ต้องใช้ความคิดในการทำงานทำการเท่านั้นนี่เป็นการเอายาธรรมโอโสถเข้าสู่ใจยาชนิดแรกเรียกว่าสติจเจริญสติ เมื่อใจสงบก็จะได้สมาธิเมื่อได้สมาธิก็รักษาสมาธิรักษาความสงบด้วยปัญญาต่อไปเอาปัญญามาต่อสู้กับกิเลสตัณหาทุกครั้งที่เกิดกิเลสตัณหาเกิดความอยากก็ใช้ปัญญาเตือนใจว่าเป็นการสร้างความทุกขเป็นการเติมความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้น ไม่ใช่เป็นการดับทุกข์ไม่ใช่เป็นการสร้างความสงบเพราะการทำตามความอยากจะทำให้ใจต้องหมุนจะต้องเด่นรนจะต้องหาต้องรักษาและก็ต้องมาเสียใจเพราะว่ามันจะต้องหมดไปในที่สุดเพราะมันเป็นของชั่วคราวห้ามันไม่ได้ไอ ค, คิดอย่างนี้เรียกว่าเป็นความคิดของปัญญา เป็นความคิดของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบแล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราที่ยังไม่รู้ความจริงอันนี้ผู้ใดสามารถปฏิบัติตามที่พระพเจ้าสรงสอนได้ก็เท่ากับได้รับประทานยาตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดไว้พระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนยาเป็นเหมือนหมอที่จะรักษาโรค ของใจคือความทุกข์ต่างๆให้หมดไปได้ถ้าเราเชื่อหมอกินยาตามที่หมอสั่งไม่ช้าก็เร็วความทุกข์ต่าง ๆ, ๆที่มีอยู่ภายในใจก็จะต้องหมดไปอย่างแน่นอนหน้านที่ของพวกเราก็คือต้องเป็นคนไข้ที่ดีคนไข้ที่ดีก็ต้องเชื่อหมอหมอสั่งให้กินยาก็ต้องกินยาตามที่หมอสั่ง เมื่อกินยาไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวโยครคภัยไข้เจ็บต่างๆก็จะหายไปหมดถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราก็จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจสร้างความสงบสร้างความสุขให้แก่จิตใจอย่างถาวรด้วยการ คิดไปนในทางที่จะทําให้หยุดความโลภความอยากต่างๆเอ็นวันนี้คิดว่าจะมาวัดมหาสถานที่สงบสงัดเพื่อมาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาด้วยการนั่งกายวาจาใจที่สงบฟังเทศฟังธรรมขณะฟังเทศฟังธรรมมีสติจดจ่ออยู่กับการฟัง เขาเรียกว่ามีเจริญสติถ้าพิจารณาตามได้ก็จะเกิดปัญญาขึ้นมามีความเข้า อ, อกเข้าใจถึงความจริงของความสุขและความทุกข์ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและดับลงไปได้อย่างไรแล้วนำเอาไปปฏิบัติต่ออันนี้เป็นการมารับออมารับหัวเชื้อมารับยากัน เมื่อรับยาแล้วขั้นต่อไปก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติต่อปฏิบัติเพียงขณะที่นั่งฟังอยู่นี้ก็จะได้ผลชั่วคราวถ้าอยากจะให้เป็นผลที่ยาวนานรฐาวรก็ต้องปฏิบัติไปตลอดเวลาในทุกอิริยาบถตั้งแต่เตื่นจนหลับขึ้นมาถ้าสามารถปฏิบัติอย่างนี้ได้ผลก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและจะปรากฏอยู่เรื่อยๆ มีอยู่เรื่อยๆไปไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นอยู่ที่การปฏิบัติของพวกเราเองที่จะสร้างผลต่างๆที่เราต้องการกันถ้าปฏิบัติน้อยผลก็จะเกิดขึ้นน้อยถ้าปฏิบัติมากผลก็จะเกิดมากถ้าถ้าปฏิบัติเต็มร้อยผลก็จะปรากฏเต็มร้อยขึ้นมาอย่างพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านปฏิบัติเต็มร้อยกัน ผลเจงปรากฏเต็มร้อยในหัวใจในพระทัยของท่านทั้งหลายในพระทัยของพระพุทธเจ้าในหัวใจของพระอาหารหันตาสาวกมีแต่ปรมังสุขขังความสุขเต็มร้อยอยู่เพียงอย่างเดียวไม่มีความทุกข์แม้แต่นิดเดียวอยู่ภายในจิตภายในพระทัยเลยนี่แหละคือเรื่องของความสุขที่แท้จริง ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขที่แท้จริงแบบนี้ได้นอกจากความสงบของใจเท่านั้นใจจะสงบได้ก็ต้องมีการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะทำลายเหตุที่จะทำให้ใจไม่สงบนั่นเองก็คือทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจเมื่อไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วใจก็จะสงบไปตลอด ไม่มีวันสิ้นสุดใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันตสาวก็ตอนนี้ก็สงบกันอยู่มาสงบกันมาต้องสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะสงบไปเรื่อยๆไม่มีวันจบไม่เหมือนใจของพวกเราที่วุ่นวายมาสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วแล้วก็จะวุ่นวายต่อไปถ้าพวกเราไม่ สร้างธรรมะขึ้นมาไม่ปฏิบัติธรรมกันไม่สร้างสติสร้างสมาธิไม่สร้างปัญญากันขึ้นมาใจมันก็จะวุ่นวายไปเรื่อยๆต่อไปความแตกต่างของพวกเราของใจของพวกเรากับของพระพุทธเจ้าก็มีแค่ตรงนี้แหละใจของพระพุทธเจ้าก็ไม่ตายใจของพวกเราก็ไม่ตายแต่ต่างกันตรงที่ใจของพระพุทธเจ้าสงบมีความสุขตลอดเวลาใจของพวกเราไม่สงบ มีความทุกข์ตลอดเวลาเท่านั้นเองแต่เราสามารถที่จะทำใจของพวกเราให้เหมือนกับใจของพระพุทธเจ้าได้เพราะเหตุที่จะทำให้ใจให้สงบของพระพุทธเจ้านั้นก็เป็นเหตุอันเดียวกับการทำใจของพวกเราให้สงบนั่นเองถ้าเราน้อมเอาเหตุนั้นมาปฏิบัติเราก็จะได้ผลเช่นเดียวกันก็คือการมาเจริญสติมาปรีกวิเวก มาทำใจให้สงบมาเจริญปัญญาเพื่อทำลายความโลภความอยากต่างๆทุกครั้งที่มันโผล่ขึ้นมาจนไม่มีอะไรที่จะโผล่ขึ้นมาอีกใจก็จะสงบไปตลอดหายจากความทุกข์ไม่ต้องไปดินน้นรนพายหาร่างกายเพื่อจะได้มาแก่มาเจ็บมาตายกัน เดินไปหาความทุกข์นินไปหาความทุกข์กันแล้วก็มาบ่นว่าทุกข์เวลาแก่ก็บ่นว่าทุกข์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็บ่นว่าทุกข์เวลาตายก็บ่นว่าทุกข์กันร้องห่มร้องไห้กันแต่เวลาไปหามันทำไมไม่บ่นกันบ้างว่ามันเป็นทุกข์เนไปเกิดนี่มันเป็นทุกข์เวลาอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันเป็นทุกข์ให้บ่นตรงนี้บ่นตรงที่เวลามันอยากเพื่อจะได้ไม่อยาก เมื่อไม่อยากเราต่อไปมันจะได้ไม่ไปหากันเมื่อไม่ไปหาร่างกายมันก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันไม่ต้องมาบ่นกันนี่คือเรื่องของใจของพวกเราที่ยังต้องปฏิบัติทำกันต้องสร้างสติกันขึ้นมาสร้างสมาธิกันขึ้นมาสร้างปัญญากันขึ้นมาอย่ามองข้ามทำเหล่านี้อย่าไปคิดว่า สามารถที่จะข้ามสติข้ามสมาธิแล้วก็ไปปัญญาได้เลยเป็นเป็นปัญญาของกิเลสไม่ใช่เป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าออถ้าเป็นเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าคนที่ไม่ปฏิบัติแล้วบรรลุได้นี้ก็เถอว่าวิเศษเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิแล้วจะไป ไปเจริญปัญญาปัญญาที่คิดว่าตัวเองเจริญนั้นไม่ได้เป็นปัญญามันเป็นสัญญามันเป็นความจาเวลาจะเอามาใช้ทาลายกิเลสตัณหาก็จำไม่ได้เสียแล้วเวลาเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมานี้นึกไม่ถึงลืมไปหมดอยากจะดื่มกาแฟนี่ลืมไปหม ด, ม, ห ม, ห ม, ดมีแต่จะเดินหากาแฟให้พลาไปหมดแทนที่จะหยุดความอยากดื่มกัน เวลาอยากจะไปหาแฟนนีก็พลานกันไปหมดแทนที่จะหยุดความอยากไปหาแฟนมันมันเป็นสัญญาณพอถึงเวลาจะใช้มันมันหายไปหมดเวลาไม่ใช้มันนี่โผลขึ้นมาโอ้อปัญญาอย่างนู้นอย่างนี้อันนี้จังทุกขังอนัตตาอย่างนู้นอย่างนี้รู้ไปหมดคุยได้เป็นชั่วโมงแต่พอเวลาเกิดความอยากขึ้นมาปัญญาวิ่งหายไปไหนหมดไมร นั่นแหละคือปัญญาของผู้ที่ไม่เจริญสติไม่มีสมาธิกันฉะนั้นอย่าไปข้ามขั้นตอนทําตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะเป็นขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าทรงได้บําเพ็ญมาก่อนเพราะพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ข้ามสติข้ามสมาธิไปสู่ปัญญาเลยมีแต่สอนว่าต้องสติก่อนเราจะได้สมาธิได้สมาธิแล้วค่อยไปทางปัญญา เราจะไม่หลงไม่ลืมจะอยู่คู่กับใจตลอดเวลาเวลาเกิดตัณหากิเลส ข, ขึ้นมาก็สามารถเอาปัญญามาฆ่ากิเลสตัณหาได้เลยดังนั้นขอให้พวกเราจงพยายามศึกษาพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมแล้วนำเอาไปค่้ยควรพิจารณาอยู่เรื่อยๆเวลาที่ไม่ได้ยินได้ฟัง สลับกับการทำใจให้สงบถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเราก็จะเจริญก้าวหน้าไปตามลำดับจนไปถึงขั้นสูงสุดได้อย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยาถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารัง เอวเมวะอโตทิน e e um ังเปตานังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเเอปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยธาเมณิโชติระโสยธาสัพพิตโยวิวัจจันตุสัพพโรโควีนัสตุ มาเตภวะตวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนศีลิศนิจังุทธาปจายโนจตารโธรรมวัานติอายุวันโอสุขังภาลงาต่อไปก็เป็นการถามตอบปัญหาท่านผู้ไดยอยากจะถามปัญหาก็ ขอเชิญมาถามผ่านทางไมโครโฟนเพื่อผู้ฟังจะได้ฟังทั้งคําถามและคําตอบพระอาจารย์จําหนูได้ไหมคะไม่ได้จําไม่ได้หนูบอกพระอาจารย์ว่าอีกหกปีหนูจะออกมาปฏิบัติค่ะแล้วตอนนี้ก็ครบหนึ่งปีแล้วอีกห้าปีค่ะพระอาจารย์มาพบพระอาจารย์ครั้งแรกวันที่สิบแปดมกราค่ะแล้วก็นํำธรรมะของพระอาจารย์ไปปฏิบัติทเท่าที่จะทําได้ค่ะทีนี้ พอปฏิบัติไปเหมือนกับว่าตัวเองก็กลายเป็นคนใช้ของเท่าที่จำเป็นนะคะเสื้อผ้าก็มีพอใส่สิ่งของไหนที่ไม่ใช่ก็ให้คนอื่นเขาไปค่ะทำตามพี่พระอาจารย์บอกค่ะ mm hmm. แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ทำงานทีนี้ก็คือแบบว่าเวลาเราออกนอกบ้านไปเราเห็นผู้หญิงแล้วเราสงสัยขึ้นมาว่า ผู้หญิงจําเป็นต้องสวยไหมคะพระอาจารย์ก็คือออกนอกบ้านไปเห็นแต่คนเขียนคิ้วทาปากพอกหน้าทั้งนั้นเลยแล้วเรามาเอาสิ่งนี้เราเอาหน้าเปื่อยเอาผมธรรมดาที่ไม่ได้โกกทําแบบเขาไปทํางานแบบนี้บางครั้งรู้สึกเหมือนกับว่าเราเหมือนเป็นผ้าที่ริ้วที่อยู่ท่ามกลางผ้าแพรนะคะพระอาจารย์ คือหนูอยากจะทราบว่าอะไรมันแค่ไหนอย่างไรที่จะเหมาะสมนะคะการที่เสริมความสวยความงามของร่างกายก็เพราะว่าต้องการใช้ร่างกายเป็นที่อ่ล่อเหยื่อคือผู้หญิงก็ต้องการที่จะล่อใจของผู้ชายถ้าผู้ชายเห็นผู้หญิงใส่ผ้าขี้ริ้วหน้าตาขี้เละก็จะไม่อยากได้มาเป็นแฟน ผู้หญิงก็อยากจะได้ผู้ชายมาเป็นแฟนเพราะใจของผู้หญิงกับใจของผู้ชายก็มีกามาตัญหามีการมาราคะคือความอยากจะเสพกามดังนั้นถ้าอยากจะเสพการก็อยากจะได้รูปสวยๆงามๆ ม, มาเสพ <c oughs> <c oughs> ก็เลยต้องเสริมความงามของตนเองเพื่อจะได้ดึงดูดรูปที่สวยที่งามมาสนใจถ้ารูปของตนเองไม่สวยไม่งาม คนที่เขามีรูปสวยรูปงามเขาก็จะไม่สนใจเราเราก็จะเจอคนที่เขาไม่รูปไม่สวยไม่งามเนี่เะฉะนั้นถ้าคนที่ยังมีความต้องการจะเสพการอยู่เขาก็มักจะต้องเสริมความงามของตนเพื่อที่จะได้จับเหยื่อมาเป็นมาเป็นคู่ครองเป็นผู้ที่จะเสพร่วมเสพกามด้วยแต่ถ้าเราเป็นผู้ที่ฝ่ายทำไม่ ต้องการที่จะทําลายกามอารมณ์ต่างๆเราก็ไม่ต้องไปอ่แต่งไปเสริมความงามงแต่อาบน้ําอาบท่ารักษาให้ร่างกายมันสะอาดเรียบร้อยหวีผ้าหวีผมไม่ลกริ้วไม่ไม่ให้มันดูอุด จ, จัดตาก็พอเพราะเรายัางอยู่ในสังคมของคนที่เขายังเลือกดูรูปกันอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดูเพื่อเสพการอารมณ์เขาก็จะดู คุณสมบัติของเราว่าเราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบหรือไม่ถ้าเราไม่อาบน้ำอาบท่าไม่หวีผ้าหวีผมไม่ซักเสื้อผ้าเลยเขาก็จะคิดว่าไอคนนี้มันบ้าหรือเปล่าดงั้นเราก็ต้องมีประมาณคือเราทําไม่ได้ทำเพื่อสร้างเสริมสร้างเรื่องของการารมณ์อ่เนื่องจากที่เรายังต้องอยู่ในสังคมกับผู้อื่นสิ่งใดที่สังคมเขาลังเกียจเช่นความไม่เรียบร้อย ความอุดจาดตาต่างๆการที่ส่งกลิ่นเหม็นของร่างกายของเสื้อผ้าสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องดูแลอาบน้ำํำอาบท่าให้ร่างกายสะอาดหวีผ้าหวีผมให้เรียบร้อยแต่ไม่ต้องใส่น้ําหอมใส่น้ํามันไม่ต้องใช้เครื่องเสริมสวยเสื้อผ้าก็ให้เรียบง่ายพอปกปิดอวัยวะของร่างกายพอปกป้องรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็เป็นการ แต่ตัวของคนที่มีธรรมคนที่ถือศีลแปดเขาก็จะไม่ต้องยุ่งกับเรื่องเครื่องสำอางเออใส่เสื้อผ้าก็ไม่ต้องสีสันฉูดฉาดใส่เสื้อผ้าเสื้อขาเออ พ, พอนุ่งสีดําหรือขาวอะไรอย่างนี้เป็นต้นอาจารย์แล้วเขาทาครีมกันแดดกันได้เลยคะ่ะอยู่ที่ว่าทาเพื่ออะไรถ้าทาเพื่อรักษาผิวก็รัก ทาได้ป้องกันผิวแตกทาป้องกันไม่ให้ร่างกายมันเสื่อมโทรมเร็วกว่าคนที่จะเป็นไปก็ทำได้แต่ถ้าทาเพื่อเสริมความงาม น, นี้ก็ไม่ควรต้องยอมรับว่าร่างกายมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเรามาปฏิบัติเพื่อมารับความจริงอันนี้กันไม่ฝืนความจริงเพราะการฝืนความจริงเป็นตัณหาความอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย เวลาเจอความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมาจะทุกข์ทรมานใจถ้ายอมรับความแก่ความเจ็บความตายได้เวลาเจอก็จะไม่ทุกข์ทรมานใจใจจะวางเฉยปล่อยวางได้พระอาจารย์ขอถามอีกนะคะคือจะถามพระอาจารย์ว่าตอนที่สวนมนต์ธรรมวัดเช้าอะคะ่ะที่บอกว่าวิญ ญ, ญาณไม่เที่ยงวิ ญ, ญญาณเป็นอนัตตาวิ ญ, ญญาณในขันต์ตรงนี้หนูยังไม่ค่อยเข้าใจอะคะ่ะ คือวิญ ญ, ญาณในขันก็คือวิ ญ, ญญาณที่ออกไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะเวลาที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกริ้นกายเช่นตอนนี้ตอนนี้วิ ญ, ญญาณที่เรียกว่าจักอโสตะวิญญาณกำลังทำงานอยู่พอได้ยินเสียงเข้าไปที่หูวิ ญ, ญญาณก็ออกมารับแล้วส่งไปที่ใจอีกต่อห น, น, นึ่งร่างกายเป็นเพียงจุดรับอเหมือนกับไมโครโฟน เป็นที่จุดรับเสียงแล้วก็ส่งเข้าไปที่เครื่องขยายเสียงเครื่องขยายเสียงก็ขยายเสียงกระจายให้คนอื่นได้ยินเสียงใจเราก็ต้องมีมีผู้ที่ไปรับเสียงจากทางร่างกายมาสู่ใจใจเป็นผู้รู้ผู้คิดใจมีวิญญาณนี้ทำหน้าที่ออกไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะเวลาที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายพอสัมผัสเสร็จปัมมันก็ดับไป พอเสียงหายไปโสตวิญญาณมันก็หยุดทำงานไปก็เรียกว่าไม่เที่ยงไม่ได้ทำงานตลอดเวลาเหมือนกับแสงหิ่งห้อยมันเกิดดับเกิดดับเวลามีเสียงมากระทบกับหวูวิญญาณก็ทำหน้าที่รับรู้นอกจากเวลานอนหลับบางทีก็ไม่รับรู้หยุดทำงานไปชั่วคราวเราวิญญาณในขันก็คนละอย่างกับวิญญาณที่ เป็นชื้อไปเกิดใช่ไหมค ะ, ะจิตนี้เป็นตัวที่ไปเกิดเวลาออกจากร่างกายแล้วก็เรียกว่าวิญญาณเปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองเหมือนเวลาเราเราเปลี่ยนชื่อเวลาเราอยู่บ้านเขาก็เรียกชื่อเล่นกันชื่อแดงชื่อดําชื่อเขียวเวลาไปทํางานไปโรงเรียนเขาก็เปลี่ยนชื่อเป็นนางสาววิจิตาพิสมัยอะไรไปแต่ตัวเดียวกันคนเดียวกันนั่นวิญญาณตัวนี้ ไม่ดับหรอคะไม่ดับใจไม่ดับไม่ตายไงงั้นวิญญาณตัวนี้บอกว่าเที่ยงได้ไหมคะมันจะว่าเที่ยงก็ไม่เที่ยงก็มไม่สำคัญมันเราไปทำไรายมันไม่ได้ตัวนี้มันเป็นตัวที่จะไปรับผลบุญผลบาปต่อไปมันเป็นตัวสร้างผลบุญสร้า ง, ส ร, างสร้างบาปสร้างบุญเองแล้วก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปเองจากการกระทําผ่านทางร่างกายเช่นวันนี้มาฟังเทศฟังธรรมนี่มัน สร้างบุญสร้างกุศลสร้างความสงบสร้างความสุขให้กับใจแล้วมันก็จะไปรับผลของความของบุญอันนี้ต่อไปถ้าไปสร้างบาปสร้างกรรมไปฆ่าไปไปนักทรัพมันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจเวลาตายไปใจก็ต้องทุกข์ร้อนเข้าใจอย่างนี้ได้ไหมคะว่าถ้าวิ ญ, ญญาณในขันที่เกิดดับคือการทำหน้าที่ของร่างกาย แต่ถ้าวิ ญ, ญญาณที่ไม่เกิดไม่ดับก็คือสูต ร, รวมของใจที่สะสมบุญสะสมบาปใช่ไหมคะถูกเครื่องเดียวคือวิญญาณที่ที่เรียกว่าวิญญาณในขานนี้มันมันมันอยู่ในใจเหมือนกันเป็นเป็นส่วนหนึ่งของใจทำหน้าที่รับรู้สิ่งต่างๆที่มาสัมผัสผ่านทางร่างกายวิญ ญ, ญาณนี้ไปกับใจด้วยแต่ตอนที่ไปมันไม่ได้ทํางาน มันจะทํางานก็ต่อเมื่อมีร่างกายอันใหม่ปรากฏขึ้นมาค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์คะหนูหนูชอบตื่นเต้นเป็นกิเลสแบบไหนอะคะพระอาจารย์ไม่มีสติไงควบคุมใจไม่ได้ถ<อ>้ออาจควบคุมเจริญสติบ่อยๆต่อไปต้อมือจะสั่นเลยค่ะพระอาจารย์หนูหยุดไหมคะพุดโธรไปเสร็เวลาสั่นก็พูดโทพุโทโธไปถ้าท่องพูโทโธพูโทโธพูทโธไปเดี๋ยวมันก็จะหายสั่นอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้ใจเราสั่น ในเวลาไปเจอผีนี่พุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็จะสงบสติเนี่เป็นตัวควบคุมใจของเราใจสั่นใจวิวนี่ก็เพราะไม่มีสติกันขอพระคุณค่ะอย่ารอให้มันครบหกปีเลยไม่ได้ เ, เดี๋ยวตายไปก่อนอย่าทำเลย การนมัสการพระอาจารย์ค่ะเวลาที่นั mm ่งสมาธินะคะเวลาที่จิตเราเริ่มสงบบ้างอ่ะค่ะมันจะมีอาการทางกายอะค่ะก็คือมีอยู่สองสองแบบก็คือถ้าเป็นแบบที่ค่อยๆเป็นคือศีรษะจะหมุนหรือว่าจะโค้งค่ะก็ถ้าเราพยายามหยุดมันเนี่ยมันก็จะรู้สึกเหนื่อยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราดูมันไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นอยู่หลายนาทีจนเรารู้สึกกลัว ไม่ควรจะไปสนใจกับร่างกายเวลาที่เราภาวนาให้สนใจอยู่กับการภาวนาร่างกายจะเป็นไงถ้าเราไม่ไปสนใจมันมันจะไม่เป็นปัญหาให้อยู่กับการภาวนาถ้าพุโทโธก็พุโทโธไปเรื่อยๆอย่าไปรับรู้เรื่องราวต่างๆที่ปรากฏให้เรารับรู้แล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองแล้วถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะที่อย่างหนึ่งคือมือ จซกระตุกแล้วก็เช่นเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันมันจะเป็นอะไรให้อยู่กับพุโทโธถ้าเราใช้พุโทโธก็อยู่พุโทโธไปถ้าเราดูลมก็อยู่กับลมหายใจไปอะไรจะเกิดขึ้นมาให้เรารับรู้ทางกายหรือทางใจก็ไม่ต้องไปสนใจพอใจสงบแล้วทุกอย่างมันก็จะเงียบหายไปเองค่ะแต่ขอพระคุณนะาาอาภัศกับข้างหลังอยากจะถามแล้วเปล่าอ่า นี่เป็นครั้งแรกที่หนูเคยที่หนูมาปฏิบัติทำค่ะเมื่ออาอทิตย์ที่แล้วหนูหนูโดนผีหลอกที่บ้านของตัวเองค่ะก็คือหนูเห็นหนูเห็นเขาคือเขาเห็นให้ใหมีคนทักเริ่มแรกคือหนูไปร้านซื้ อ, อทูปเทียนมามาไหว้พระที่บ้านนะคะแล้วทีนี้มีอาจารย์ที่เขาเขาขายอะ่ะเขาบอกว่า มีผีตามหนูมาขี่หลังก็ทำให้หนูกลัวมากหนูเลยไปหาพระอาจารย์ที่ใกล้บ้านแกบอกว่าต้องทำพิธี เ, เชิญดวงวิญญาณออกจากบ้านคือเขาตามหนูมาหนูนอนไม่หลับเลยค่ะสองคืนก็คือว่าใจหนูใจหนูกลัวเข้ามากเลยค่ะเห็นเขาลูกหน้าชัดเจนมากแล้วทีนี้หนูทำอะไรไม่ได้เลยอะคะ่ะ ก็คือกลัวมากคือสองคืนนี้ไม่ได้รับไม่ได้นอนเลยหนูเลยไปหาพระอาจารย์อ๋อหนูอยากจะถามว่าผีมีจริงไหมคะเพราะว่าหนูไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าหนูเป็นโรคอารมณ์สองขั้วค่ะเอก็ถ้าหนูเชื่อว่าเป็นผีมันก็เป็นผีของหนูหละ่ะเข้าใจไหมดังนั้นอยู่ที่ตัวหนูเองว่ามีจริงไม่มีจริงถ้าหนูเชื่อวมันมีจริงมันก็จริงถ้าหนูไม่เชื่อว่ามันไม่จริงมันก็ไม่จริง นี่ตอนนี้หนูเชื่อว่ามันมีจริงวิธีที่จะแก้มันก็คืออย่าไปสนใจมันมันมีจริงก็ปล่อยมันมีไปเราเวลาเจอมันเรากลัวแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระไปภายในใจอย่าไปคิดถึงมันอย่าไปสนใจเขาคิดเสีย ว, ว่าเป็นเหมือนคนคนหนึ่งที่เดินตามเรามาตามถ้าเราไม่ไปสนใจเขาก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเขาทําอะไรเราไม่ได้อยู่ดีเขาเพียงแต่สร้างความกลัวให้กับเราปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขา มันหาอยู่ที่เราคือความกลัวของเราและวิธีที่จะแก้ความกลัวก็คือให้สวดมนมต์ไปเวลาเกิดความกลัวสวดสั้นๆก็ได้สวดมุตโตธรมโมสังโฆอาหลังสามมาสวดบทที่เราจำได้อย่าไปคิดถึงเรื่องผีนั้นเดี๋ยวมันก็จะพอใจสงบแล้วมันก็จะหายไปก็คือตอนนี้ผ่านมาประมาณสองอาทิตย์แล้วหนูยังมีความรู้สึกว่า เ, <อ>เขายัง อ, อยู่ จะความรู้สึกของเราเองเขามีจริงไม่มีจริงเราไม่รู้คนณึงมาถามเราอะไมีจริงไม่มีจริงเนีหนูอยากทราบ่ะคะว่ามีวิธีแก้ไขอะไรไหมเพราะว่าเหมือนเพราะว่ามีคนมาถามมาค่ะแนะนําหนูว่าให้ทําบุญถวายสังฆทานหนูก็ไปทําแล้วแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะต้องสวดมนต์ถึงจะดีต้องสวดเวลาที่เขามาที่เรารู้สึกว่าเขามาอยู่มนพอเรารู้สึกว่าเขามาปุ๊บก็สวดมนต์ไปพุทโธพุทโธไป จนกล้าใจเราจะสงบแล้วความรู้สึกนั้นหายไปค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์โยมมาจากจังหวัดนครสวรรค์แต่ว่าได้ได้สีธรรมะมาจากจังหวัดบุรีรัยมยกธมะของพระอาจารย์เพราะว่าข้างบ้านเขาถือมาให้ถ้ายมอ่านโยมจิตก็น้อมใจ ถ้าชวนหลานสาวที่อยู่จังหวัดเชีงเยงใหวันนี้ก็เลยน่า่โดดมาถึงที่นี่ถามทาง ม, ม, มาตลอดกอครับอ่าไม่โม้นนาความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นน ะ, ะตามหนังสือซีดีไปได้นะตามสามสบายอ่าทางบ้านทางอินเทอร์เน็ตเชินถามได้ต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านนะคะคำถามแรกจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม พญานาคและเทวดาพญานาคเช่นเท้าจะตกโลกบาลท่านแตกต่างกันใช่หรือไม่คะเทวดาบรรลุได้แต่พญานาคไม่สามารถใช่หรือไม่คะคือเราไม่ได้ศึกษารายละเอียดของกายทิพย์เหล่านี้กายทิพย์เหล่านี้ก็เป็นใจที่เวลาไม่มีร่างกายแล้วก็ไปรับผลบุญที่ตนเองได้สร้างเอาไว้ ก็จะเป็นกายที่ชนิดต่างๆอเป็นเป็นพญานาคเป็นอินทรีเป็นอะไรเป็นเทวดาเป็นอะไรต่างๆก็เป็นผลที่ได้รับจากการทําบุญเวลาที่มีชีวิตอยู่ส่วนที่จะถามอะไรนะว่าเขาเขาถามว่าเทวดาบรรลุได้แต่พญานาคไม่สามารถใช่หรือไม่เจ้าคะ อยู่ที่ว่ามีธรรมะหรือเปล่าถ้ามีธรรมะก็บรรลุได้ทั้งนั้นถ้าไม่มีธรรมะก็บรรุไม่ได้มีเทวดาเยอะแยะที่ไม่ได้บรรลุเพราะฉนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นอะไรอยู่ที่ว่ามีธรรมหรือเปล่าเป็นมนุษย์นี่บางคนก็บรรลุได้บางคนก็บรรูุไม่ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นหญิงเป็นเป็นเป็นชายเป็นพระอย่างเดียวถึงจะบรรลุได้เป็นพระแล้วไม่บรรลุกันก็มีต้งเยอะแยะไป เป็นคารวะที่ไม่ได้เป็นนักบวชไม่ได้เป็นพระที่บรรลุกันก็มีสมเถไปเพราะว่ามันการบรรลุไม่ได้อยู่ที่สถานภาพแต่อยู่ที่ธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกับการรับประทานยาถ้ารับประทานยามันก็หายจากโกาครคภัยไข้เจ็บถ้าไม่รับประทานยามันก็ไม่หายจะเป็นคนไายจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนแก่คนหนุ่มคนสาว เป็นนักบวชหรือเป็นคารวาสถ้ากินยาก็หายกันทั้งนั้นถ้าไม่กินยามันก็ไม่หายแล้วมันอยู่ที่อยู่ที่ยาอยู่ที่ธรรมอะอย่างพ่อ แ, แ, แม่ของพระพุทธเจ้าก็บรรลุได้พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมให้ยากับแม่ของพระพุทธเจ้าถึงสวรรค์เลยก็ได้บรรลุได้แต่เทวดาลูกอื่นที่ไม่สนใจฟังธรรมเขาก็ไม่บรรลุ คำถามต่อไปจากคุณอันโดอันโนพงเมธถ้าเราไม่ใช้คำบริกรรมทำวิปั ส, สนาโดยสติปัฏฐานดูกายอย่างเดียวมันจะดีไหมครับเดิมปฏิบัติโดยบริกรรมยุบหนอพองหนอรู้สึกว่าเวลาทำงานมีความพร้อมในการคำนวณดีขึ้นจึงกลับมาฝึกใช้คำบริกรรมอีกเพราะบางท่านไม่เห็นด้วยกับคาบริกรรม คือการทำใจให้สงบ ก, การเจริญสตินี่แต่และคนเจริตไม่เหมือนกันวิธีที่จะเจริญสติก็เลยมีหลากหลายวิธีที่เรียกว่ากรรมฐ า, านสี่สิทนี่เป็นการเจริญสติทั้งนั้นให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งที่ถูกจริตกับเราเหมือนกับการรับประทานอาหารที่มีหลากหลายชนิดด้วยกันแต่ผลที่ได้รับจากการรับประทานอาหารชนิดต่างๆก็เหมือนกัน ก็คือทำให้ร่างกายอิ่มแต่ใดถ้าเราเจริญสติวิธีใดก็ตามถ้าเราจเจริญได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องผลก็คือใจก็จะสงบเหมือนกันจะพุทโธก็ได้จะดูการร่างกายก็ได้จะเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลาว่ากําลังทําอะไรอยู่เพื่อไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ได้หรือจะให้บริกรรมพุทโธเพื่อจะได้ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ได้ผลก็จะได้เหมือนกัน กคอความสมมำถามต่อไปจากคุณยิ่งลาบวชิีละชีวินผมสงสัยว่าทำไมพระมหานิกายต้องยัติกรรมใหม่เพื่อเป็นพระธรรมยุทธพระมหานิกายปฏิบัติไม่ได้หรือขอรับคือพระนิกายไหนก็ปฏิบัติได้ทั้งนั้นแ่ะแต่การอยู่ร่วมกันในกลุ่มนั้นก็เหมือนกับ เ, เขาแต่ละกลุ่มเขาก็มีกฎกติกาต่างกันไปเช่นมาจุลาธรรมศาสตร์นี่เขาก็มีทํามบุธรรมเนียมมีการสั่งการสอนที่อาจจะไม่เหมือนกันถ้าเราอยากจะย้ายจากจุลาเข้าธรรมศาสตร์เราก็ต้องไปเอ็นใหม่ถ้าเอ็นได้เขาก็รับเข้าไปฉันใดถ้าเป็นมานิกายอยากจะมาอยู่กับธรรมยุทธ์ก็ต้องมาบวชใหม่มาญาติใหม่ ถ้าเป็นธรรมยุทธอยากจะไปอยู่กับมานิกายก็ต้องก็ต้องสึกจากธรรมยุทธไปแล้วก็ไปบวชเป็นานานิกายใหม่เพราะว่ามันแต่ละนิกายมีข้อวัดปฏิบัติการรักษาศีลไม่ไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะแปลงกายเป็นเป็นครึ่งครึ่งครึ่งนิกายไปเราต่อไปจะเข้ากับนิกายไหนไม่ได้อย่างมีภาพรูปหนึ่ง คงไม่อยากจะเอ่ยชื่อแต่เบื้องต้นท่านก็บวชเป็นธรรมยุทธ์อยู่กับธรรมยุทธ์สักพักท่านก็เบื่อว่าธรรมยุทธ์ไม่ได้เรื่องก็เลยไปอยู่กับนิกายหาว่าธรรมยุทธ์เข่งคัดหังเกียรมหานิกายก็เลยจักแสดงว่าตนเองไม่ได้รังเกียรก็เลยไปอยู่กับมหานิกายพอไปอยู่กับมหานิกายก็เบื่อเขาอีกเห็นเขาปฏิบัติไม่ถูกใจก็เลยไปตั้งยัดไปตั้งนิกายของตนเองขึ้นมาไปตั้งสำนักของตนเองขึ้นมา ไม่ขึ้นกับนิกายใดไม่ขึ้นกับคำสั่งของมหาเถรสมาคมที่ปกป้องที่ปกคร อ, องดูแลพระสงฆ์ทั้งสองนิกายปฏิเสธหมดกลายเป็นนิกายแปลกขึ้นมาอีกอันหนึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่มันไม่จำเป็นอยู่นิกายไหนก็ทาตามที่เข เขาสอนเขาให้ทำอย่างไรก็ทำตามเขามันก็หมดปัญหาไปถ้าไม่ไม่ไม่ทำตามก็ต้องไปอยู่คนเดียวไปสร้างนิกายใหม่ขึ้นมาคำถามต่อไปจากคุณอานัตเลิรซิลีวอลกุลกระผมเคยด่าพระที่ซื้อหวยหลายปีแล้วครับพอตอนหลังรู้สึกว่าตัวเองผิดเพราะท่านซื้อหวยก็เป็นเรื่องของท่าน อยากจะขออโหสิกรรมแต่ไม่เจอท่านเลยกระผมจะทำอย่างไรดีครับคือประเด็นสาคัญนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวท่านอยู่ที่ตัวเราถ้าเราทำอะไรผิดแล้วเราสํำนึกผิดนี้ก็ก็ใช้ได้แล้วที่จะเจอท่านหรือไม่เจอท่านก็เป็นเรื่องรองลงมาถ้าเจอแล้วเราอยากจะไปขอขอมาราโทษก็ได้ส่วนท่านจะให้อภัยเราหรือไม่ให้อภัยเราก็เรื่องของท่านอี และประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ผู้ที่เราไปละเมิดล่วงเกินแต่อยู่ที่ตัวเราว่าเราสำนึกผิดหรือเปล่าถ้าเราสำนึกผิดแล้วเราจะได้ไม่ทำต่อไปไม่ทำผิดซ้ำอีกก็ใช้ได้คำถามต่อไปจากคุณกะโหนพรภัยสารอาสวเสนีข้อที่หนึ่งดิฉันเห็นวัดต่างๆชอบชักชวนคนทำบุญโดยมีบุญให้เลือกทำหลากหลากชนิด ดิฉันมักจะมีจิตคิดว่าทำไมพระต้องชวนทำบุญมากๆแบบนี้ด้วยวัดหรือผู้รับบริจาคสิ่งของเขาต้องการมากขนาดนั้นเชียวการกระทำของดิฉันจัดว่าเป็นจิตตะนีหรือไม่คะก็อยู่ที่ว่าเราตะหนีหรือไม่ตะหนีถ้าเราตะหนีก็ตะนีแต่การดูการวิพากวิจาร์หรือการ พิจารณาบุคคลต่างๆการกระทำของบุคคลต่างๆนี้มันไม่เกี่ยวกับว่าเราตันหนีหรือไม่ตนันหนีเราอาจจะวิเคราะห์พิจารณาเพื่อหาความจริงอันนี้ก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ไปแต่จะเอาเรื่องนั้นมาอ้างทําให้เราไม่ไ ม, ไม่ทําบุญนี่ก็แสดงว่าเราอาจจะตันหนีก็ได้เฉนั้นตันหนีต้องดูที่ว่าเราเราตันหนีไม่ตันหนีห่วงหรือไม่ห่วง ทำได้มากหรือทำได้น้อยดูตัวนั้นก็แล้วกันถ้าทำน้อยก็ตนันีถ้าทำมากก็ไม่ตันีข้อที่สองแม้ดิฉันจะคัดค้านในใจแต่ดิฉันก็มักทำบุญแทบทุกครั้งและมักจะเลือกทำบุญกับวัดไม่นิยมทำบุญให้กับมูลนิธิต่างๆการกระทำของดิฉันจัดเป็นจิตโลภหรือไม่คะไม่โลภหรอก แต่ว่าเราเรารู้จักแยกแยะบางทีเราไม่มั่นใจในมูลนิธิเพราะคิดว่าอาจจะมีอะไรแปลกปลอมอาจจะไม่เป็นไปตามที่เขาได้บอกกล่าวไว้ก็ได้เราไม่มั่นใจเราเชื่อว่าคนมีศีลคนที่อยู่วัดนี่จะจะพูดพูดจริงมากกว่าก็เลยทำให้เรามีความสบายใจกว่าเวลาที่เราได้ทาบุญกับวัดก็เลือกได้ แต่แม้สมัยนี้ก็อย่างว่าแล้ะนะมันก็ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนนันจะไปดูว่าวัดอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้บางทีวัดก็มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอยู่แฝงอยู่เหมือนกันดนั้นเราก็ต้องศึกษาค่อยควรให้รอบคอบก่อนเวลาที่เราจะทำบุญกับผู้ใดก็ตามว่าเขาเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือไม่แล้วเขาจะไปทาประโยชน์อย่างที่เขาได้พูดไว้หรือไม่ ไม่ใช่เขาถูกเขาแปลกปลอมมาหลอกเราได้บางคนสมัยนี้ก็ใส่ผ้าเหลืองมาหลอกชาวบ้านได้เหมือนกันโดยที่ไม่ได้บวชนะก็มีแบบพักปลอมที่ไปเช่าห้องพักข้องแถวอยู่ตอนเช้าก็เอาผ้าเหลืองมาหอมแล้วก็ออกบินตบาดเรี่รยายเงนินพอกลับบ้านก็ไปนั่งกินเหล้าไปเล่นการพนันกันในบ้านนนัถ้าอย่างนี้มันก็เรียกว่าของปลอมในเวลาเราจะทําบุญกับใครก็ตามเราก็ ต, กต้องดู ศึกษาก่อนแร้วให้มีความมั่นใจก่อนว่าเป็นของแท้ของจริงแล้วที่เราจะได้ไม่ถูกหลอกลวงและเราจะนั้นไม่ส่งเสริมพวกมิจฉาชีพทั้งหลายข้อที่สามถ้าดิฉันมีทั้งความตรณีและความโลภทำอย่างไรดิฉันจึงจะทำบุญด้วยจิตที่เป็นสัมมาทิฏฐิคะก็ให้คิดถึงความตายบ่อย คิดว่าถ้าเกิดเราต้องตายวันนี้แล้วเงินทองที่เรามีอยู่แล้วนี่เราจะเอาเราจะเอาไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่ทำบุญเราก็จะไม่มีบุญติดตัวไปเลยคิดน่าลึกถึงความตายอยู่เรื่อยให้สมมติว่าเราอาจจะตายวันนี้ถ้าเราจะตายวันนี้เราจะไม่ไม่ตะหนีเลยเราจะไม่โลภเลยอยากจะทำให้มันหมดหมดไปเลยถามต่อไปจากคุณวัิรีโตไทสง หนูเคยทำแท้งมาก่อนแล้วตอนนี้หนูต้องการจะมีลูกแต่ไม่มีเป็นผลจากการทำแท้งของหนูหรือเปล่าคะต้องไปถามหมอดู <laughs> ํำถามต่อไปจากคุณชายาทิพย์ดูลง้าเวโรดช่วงปีใหม่ผ่านมามีแต่เรื่องที่น่า ย, ยินดีแต่พอสังเกตใจเราเองก็ควร โทคะ่ะแต่พอสังเกตใจเราเองที่ควรจะตื่นเต้นยินดีจิตกระเพื่อมแต่จิตกลับนิ่งนิ่งเหมือนมีบางอย่างครอบเอาไว้เป็นเช่นนี้เรียกว่าปกติหรือเปล่าคะถ้าใจนิ่งเพราะสติสมาธิก็เรียกว่าเป็นปกติถ้านิ่งเพราะความไม่แยแสก็ไม่ปกติ คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณชุติมาทุกวันหลังสวดมนต์ลูกนั่งสมาธิใจสบายแต่ยังไม่สงบความฟุ้งซ่านค่อยเบาบางลงในระหว่างวันที่อยู่ที่ทำงานหรือที่บ้านจิตใจเป็นสุขเทียบเทียบกับอาการปวดศีรษะข้างเดียวตั้งแต่อาทิตย์ที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันศุกร์ ขณะที่เขียนถามปัญหาอาการปวดทุเราลงแล้วที่ผ่านมาใจไม่ได้เป็นทุกข์กับอาการปวดเลยเจ้าค่ะคำถามใจเป็นเช่นนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะจะได้มั่นใจเจ้าค่ะหากผิดหรือหลงก็จะได้กับลําทันเจ้าค่ะถ้าใจปล่อยวางได้ก็ถือว่าถูกคือเรื่องของร่างกายถ้าเราไม่สามารถที่จะรักษาด้วย อย่าด้วยหมอได้ก็ต้องปล่อยมันไปตามบุญตามกรรมของมันถ้าใจเราไม่ไปกังวลกับมันมันก็จะไม่ไปเสริมความความเจ็บไข้ได้ปวยของร่างกายให้มีเพิ่มมากขึ้นแล้วถ้าเรามันอาจจะสงบตัวลงได้เพราะบางทีความปวดความเจ็บของร่างกายบางทีมันเกิดจากความฟุง้งซ่านความวุ่นวายใจก็มี พอเราใจเราสงบไม่ไปวุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายมันก็ลดระดับลงมาหรือหายไปได้ก็มีคำถามต่อไปจากคุณเบิร์ตนะครับการภาวนาดูลมหายใจต้องตามลมหายใจเข้าออกหรือรู้อยู่ที่จุดหนึ่งของลมครับควรจะรู้อยู่จุดเดียวไม่ควรตามเข้าตามออกเพราะใจจะไม่นิ่ง ใจต้องการนิ่งต้องการให้ใจนิ่งต้องอยู่จุดเดียวอยู่ที่ปลายจมูกก็ได้หรืออยู่ที่หน้าอกก็ได้ถ้าหน้าอกก็ที่เรียกว่ายุบหนอพองหนอเวลาลมเข้าไปหน้าอกก็จะพองขึ้นมาเวลาลมหายใจออกก็จะยุบลงไปถ้าอยู่ที่ปลายจมูกก็ให้รู้ว่าเข้าออกเหมือนกับยามเฝ้าประตูให้ดูตรงประตูคนเวลาคนเข้าคนออกไม่ต้องเดินตามเข้าเดินตามออก เพราะเดี๋ยวจะคนคนดูจะปวดศีรษะถ้าดูอยู่จุดเดียวมันจะนิ่งฉะนั้นเลือกได้ตามจุดที่เราเห็นว่ามันชัดสําหรับเราบางคนก็ชัดที่ปลายจมูกตรงจุดที่ลมมันสัมผัสเข้าสัมผัสออกก็จดจ่อใเฝ้าดูอยู่ตรงนั้นหรือถ้ามันชัดอยู่ที่กลางอกก็ดูที่ตรงกลางอกได้ทั้งสองจุดข้อสําคัญก็คืออย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เฝ้าดูอย่างเดียว แล้วไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมไม่ต้องให้บังคับให้หายใจยาวๆลึกๆอะไรอย่างนี้ไม่ต้องลมหายใจเป็นอย่างไรก็ให้รู้ไวเท่านั้นเองต้องการใช้ลมเป็นที่ผูกใจไวไม่ต้องการที่จะใช้ลมมาบางังมาทาอะไรจะทาใจให้สงบเพราะทำไม่ได้เพราะถ้าไปบังคับลมใจยิ่งจะไม่สงบใหญ่เพราะใจต้องทำงานต้องการให้ใจอยู่เฉยๆให้รู้เฉยๆ แล้วใจจะสงคำถามต่อไปจากคุณวาริสเชอรอกการปฏิบัติธรรมต้องมีการตั้งเป้าหมายหรือผลของการปฏิบัติหรือไม่ครับคือไม่ได้ให้ตั้งเป้าหมายที่ผลให้ตั้งเป้าหมายที่เหตุเพราะผลมันจะเกิดจากเหตุถ้าไปตั้งที่ผลแล้วไม่ทำเหตุมันก็ไม่เกิดผลอยู่ดี และเวลาเราจะปฏิบัติให้ตั้งที่เหตุเหตุก็คือมรรคที่พระเจ้าทรงสอนให้เจริญให้มากๆมรรคก็มีอยู่สามขั้นก็คือทานศีลภาวนาให้ตั้งจิตไว้ที่การทําทานการรักษาศีลการภาวนาว่าต่อไปนี้จะทําทางอยู่เรื่อยๆจะรักษาศีลอยู่เรื่อยๆจะภาวนาอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็จะพาไปถึงพระนิพพานเอง คำถามต่อไปจากคุณเพลงบีชบอยครั้งหนึ่งผมนั่งสมาธิจนมีอาการปิติตัวเบาขณะหลุดออกจากสมาธินั้นเริ่มนึกคิดปกติผมจะยกร่างกายภายนอกขึ้นมาพิจารณาแต่ครั้งนี้เกิดภาพร่างกายคนอื่นขึ้นมาเองทันใดนั้นมีไฟเผาไหม้กายนั้นอย่างรวดเร็วจนผมตกใจในจิต แล้วจิตมันก็ว่างเบาแบบไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตนี้แล้วผมก็ออกจากสมาธิจึงคิดได้ว่านี่คงเป็นทางที่เดินไปเพื่อความสิ้นทุกข์แต่สักพักไม่ถึงครึ่งวันก็รู้สึกว่ามีกิเลสกลับเข้ามาในจิตเหมือนเดิมอีกกลาบเรียนถามว่าผมควรทำอย่างไรต่อไปกับการภาวนานี้ ผมต้องการพิจารณากายให้เกิดผลเช่นนั้นอีกแต่ก็ไม่ได้ผลผมต้องการเพื่อความเกิดโสดาบันโซดาผลครับก็เวลาออกจากสมาธิมาก็ให้นกึกถึงภาพที่เราเห็นในสมาธิต่อไปเช่นเห็นร่างกายที่ถูกไฟเผาก็ให้รำลึกถึงร่างกายของเราว่าต่อไปร่างกายของเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นรำลึกอยู่เรื่อย แล้วถ้าเรารักเราห่วงหรือห่วงร่างกายของใครก็ให้ลำเลิกถึงภาพที่ถูกไฟเผานั้นไปกับคนนั้นไปเรารักสามีรักภรรยาเราก็ต้องคิดว่าสักวันหนึ่งเขาร่างกายของเขาก็ต้องถูกเผากลายเป็นขี้เถ้าไปไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครที่ใจของเรามีความผูกพันมีความรักมีความห่วงเราต้องเผามันให้หมดเลยมองให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนกับกระดาษกงเต็กะ สักวันหนึ่งก็จะต้องถูกเผาไปหมดเนี่ยคนจีนเขามีปัจฉญ า, าสอนเราให้รู้จักเผาเผาทรัพย์สมบัติเสาบ้านเสาอะไรต่างๆแต่เราพวกเรากลับไปคิดว่าเผาเพื่อจะส่งให้เราไปได้ได้มันในอนาคตไม่ต้องการให้เราเผาก็เราจะได้ไม่ไปยึดไปติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองกับร่างกายของเราเพราะมันเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดถ้าเราเผามันได้นลใจเราจะสงบเลย ว่าคำาถามจากคำว่าแล้วค่ะหลวงพอ่อทางนี้มีใครอยากจะถามซ้ำเพิ่มอีกไหมที่พูดมาที่บานี้เข้าใจไหมชัดเจนไหมถ้าชัดเจนไม่มีอะไรก็คิดว่าสมควรแก่เวลานะก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอ